คำภีรพุทธวงศ์วงของพระสุชาตะพุทธเจ้าที่12พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะนั่นพุทธะเราก็รู้แล้วความหมายว่าพระองค์ผู้รอบรู้กองทุกข์ทั้งมวลด้วยปริญญารอบรู้สมุทัยทั้งมวลด้วยปหานะรอบรู้นิโรธด้วยการทาให้แจ้งรอบรู้อริยมรคุด้วยการเจริญ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 เป็นผู้ที่พ้นโลกแล้วเนี่ยนะพ้นเครื่องพันธนาการที่ผูกมัดรัดเอาไว้ในโลกพระองค์เป็นผู้ชนะโลกนะคำว่าชนะโลกหมายคำว่าชน ะ, ะสงครามเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ปราชัยในนั่นนะคือไม่มีจิตใจที่สยบให้แก่โลกข้ามพ้นจากโลกเพราะนั้นพระองค์นั้นเป็นลักษณะอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือสั ญ, ญลักษณ์คือดอกบัวผู้เจริญเติบโตในโลก น, นะ แต่ก็ไม่แปดเปื้อนด้วยโลกนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยนะเป็นผู้ปราศจากความทุกข์พระผู้มีพระภาคพระนามวสุชาติเนี่ยนะมีพระหานุคือคางหานุนี่แปลว่าคางเหมือนอย่างคางราชสีลำลำพระศรหรือคอของพระองค์ก็เหมือนกับคอโคสพระเนี่ยนะ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 ฉะนั้นพระองค์เนี่ยให้ธรรมทานแก่สัพพะสัตทั้งหลายแล้วก็พระองค์นั้นตรัสธรรมทานก็ตรัส ด, ด้วยวาจาอันเป็นที่รักไม่ได้ดุดันเป็นพระวาจาที่ไพเราะเนี่ยนะฝังแล้วสนอสโสดแล้ววาจาของพระองค์ทั้งหมดปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่สัพพะสัตทั้งหลายเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีความสมมั่นคงสม่ำเสมอเพราะเป็นผู้ที่คงที่แล้วถึงความคงที่ที่สุดนนะ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 พันพระองค์นั้นจึงประกาศพระธรรมจักการประกาศพระธรรมจักก็คือหมุนอริยศาสตร์นั่นแหละแสดงอริยศาสตร์ให้เป็นไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาติก็แสดงพระธรรมจักณนะกรุงสุมังคนเนี่ยนะกรุงสุมังคะละค า, าเมืองนี้มีมงคลดีแปลว่าประชาชนในเมืองนี้นิยมเจริญมงคลนะปฏิบัติตามมงคลศาสนาของพระสุชาติพุทธเจ้าผู้นำโลก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 แห่ไปเนี่ยนะประมาณ80โกดธจากการตรัสรูค้ครั้งแรกเนี่ยถามว่าพระองค์มีบริวารเท่าไหร่มีประเทศไหนมีประชาชน80โกดธมั้งีเนี่ยนะออดโกธดโกเท่าไหร่800ล้านใช่ก็นั่นแหละมีประชาชนมากมายเง้นนะทุกวันนี้มีนะบางจีนนี่ก็เกินน่ะอ่าประมาณ่ะ อ, อินเดียอน้องๆ อ, อินเดีย น, นิดหน่อยเนี่ยนะ มันมีผู้ที่ก็ตรัสรู้มากมา ย, น, ยนะนะเรียกว่าสอนทีบรรลุกันเยอะเลยครั้งพระสุชาตผพุทธเจ้าผู้มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้เนี่ยสเสด็จจำพรรษาณเทวโลกคือในดาวดึงสมัยที่สองได้มีการตรัสรู้แก่สัตว์ประมาณ 3, 07, สามล้านเจ็าแพมาว่าไม่มากนะประชาชนที่ตรัสรู้เนี่ยไม่มากแต่ก็ถือว่าเยอะละว่างั้นเถอะถ้ า, ถา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 สแสวงหาการทำลายสังสารวัตรแสวงหาการทำลายวัตตะสแสวงหากุศลแล้วก็สแสวงหาพระนิพพาน น, นะก็ถ้าคิดแบบง่า ย, ายๆก็คือสแสวงหาเพื่อการกำหนดรอบรู้วัตตุทุกโดยประการทั้งปวงนั่นเองสแสวงหาการพรากจากสมุ ท, ทยัยบาปอากุศลธละททุกชนิด น, นะสแสวงหาความว่าคุณธรรมที่นำออกจากวัตตะอยู่ที่ไหนคุณธรรมเ่าใดที่นำออกจากวัตตะเนี่ยนะ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 ที่เป็นโล ก, กุตระทรัพย์มันเขายังไม่ได้มรดกที่เป็นโล ก, กุตระทรัพย์เขาก็ไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงของพระองค์ส่วนพระทหารเนี่ยเป็นทายาทที่สูงสุดเนี่ยนะได้รับเระียกเป็นพระราชโอรสที่อภิเสกแล้วอภิเสกในตําแหน่งอรหัตตมักอรหัตตผลเป็นธรรมทายาตรับมรดกโล ก, กุตระธรรมจากพระพุทธเจ้าพระรหัรตาสาวกเหล่านั้นเนี่ยนะพูดถึงกําลังแห่งอภิญญา คำว่าอภินญาก็คือความรู้ยิ่งก็หมายถึงอภินญ ย, ยะตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งควรรู้ยิ่งโดยแง่มุมใดผ้าหาันทั้งหลายก็รู้ยิ่งโดยแง่มุมนั้นแต่ว่าโดยทั่วๆไปจดนิยมว่าอภินญาหเช่นอินธนะอิธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้ น, นะมีหูตาก็เป็นตาทิ่มีหูก็เป็นหูที่เนี่ยนะ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 บอกคืนอบายทุกขติวินิบาตนรกบอกคืนบอกคืนการมาพบรูปประพบอารูปประพบบอกคืนตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดเกลี้ยงไม่เหลือบอกคืนรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไปคืนนี้ไม่ใช่คืนกันง่ายๆนะลองปวดหัวี่คืนบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคืนง่ายไหมธรรมดาเนี่ยนะนั่งเลี้ยงปวดหลังเนี่ยนะบอกคืนกันง่ายๆได้ง่ายเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกคืนว่าผ้าอาหารตั้งหลายท่านบอกคืนวัตถ์ได้อ่ะ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 ประมาณ6ล้านรูปก็ประชมเรียกว่าสาวกสันในบาตรการประชมพระอาหารหันต์ฟังโอวาทปาติโมกเนี่ยนะคันตีประมังตโปติติขาเนี่ยนะคันติคือความอดกลั้นเป็นตบะเครื่องอะนะเป็นทรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานหรือว่าพระพุทธเจ้าทุกท่านพระพุทธสาวกปเจพรพุทธสาวก ปเจกับพุทธะสัมมาสัมพุทธะท่านบอกว่านิพานเนี่ยปรามัง ส, สูงสุดสุดยอดแล้วเลยเรียกว่าปรามัดอ่ะในนิพานเนี่ยเป็นปรามัดมันสูงที่สุดมันดีที่สุดลึกซึ้ง น, นะแล้วก็ผู้ทําร้ายผู้อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นมันประชิต น, นะการไม่ว่าร้ายการไม่ทําร้ายอนุปวาโตอนุปคาโต ปาติโมกเคจะสังวโรอเนี่ยการไม่ว่าร้ายการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในพระปาติโมกการรู้ประมาณในโพชนะการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสงัดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดการประกอบในอธิจิตดังที่กล่าวไปเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สาระที่สำคัญของโอวาทปาติโมกก็คือ สัพปาปัสาการนังกุสลสูปะสัมปทาสจิตตประโยชนทปนังเอตังปุธานาาสนังนะ่นะก็แปลว่านะแปลว่าอะไรสัพปาปัสาการนังก็คือการไม่ทำอกุศลทุกชนิดเนี่ยนะการไม่ทำสิ่งที่มีโทษทั้งในปัจจุบันและสมปรายพบการไม่ทำพิษทำภัยทาทุกทำโทษให้แก่ตนและผู้อื่น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 การที่พระองค์ประกาศโอวาทปาติโมกนั้นพระสาวกนะนะประชุมกันครั้งแรกประมาณ6ล้านรูปในสันนิบาตต่อมาเมื่อพระชินะพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นไตรทศสาวกส0 0 0สนรูปก็ประชุมกันเป็นครั้งที่สองประมาณสี่แสนรูปเขบอกโอ้สาวกสันนิบาตมาประชุมกันเยอะแยะแต่ถ้าหากว่าเราดูจากภาพผู้ประท้วงเลยไม่แปลกใจ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 ร่ารหัสทั้งหลายไม่อิ่มในการฟังเลยนะเป็นผู้ที่มีผ่ารหัน์ทั้งหลายเนี่ยไม่อิ่มในการฟังยินดีที่จะฟังมีความสุขในการฟังแต่คําว่าฟังในที่นี้ก็ต้องดูว่าฟังอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นความสุขที่สุดของท่านคือฟังอริยสัจหรือฟังสิกขาสามของพระพุทธเจ้าท่านอยากฟังเท่านั้นนะยางอื่นท่านไม่ฟังหรอกนะท่านบอกว่าเสียเวลาท่านเสียเวลาเข้าภะสมาบัตเข้านิโรสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะ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 ไตรทศเนี่ยนะไตรทศนะั้นอ่ะทศเนี่ยแปลว่า10ใช่ไหมไตรแป ล, ปลว่า3แต่อธิแปลว่า33มนะมีความหมายว่า33เพราะว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยเนี่ยเพวก3าคนเนี่ยทบุญแล้วไปเกิดณนะที่นั้นนะบริบาลของเท้าสกกะนะเขาทาตอนที่เขาทําบุญตอนสมัยเป็นมนุษย์เลยเนี่ยเขาทําบุญเนี่ยเขามีคณะของเขาในการเจริญกุศลอยู่33ท่านนะนะนั้นช้างเอราวัณทัศกีเสียน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 สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามวาสุชาตะเนี่ยถามมานานเมื่อไหรหนอเมื่อไหร่ก็ถอยหลังจากนี้ไปเมื่อสามหมื่นกับที่แล้วเมื่อสามหมื่นกับที่แล้วพระพุทธเจ้าพระนามวาสมณะโคโดมพระศาสดาของพวกเราทั้งหลายสมัยนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิราชผู้ยิ่งใหญ่มีทวีปสี่เนี่ยนะปกครองแผ่นดินเนี่ย หมายความว่าถ้าเขาบอกว่ามีเกาะอยู่4เกาะเนี่ยท่านดูแลทั้งสี่เกาะหมดเลยยิ่งใหญ่ที่สุดเขาบอกแผ่นดินเท่าไหร่เขาบอกก็เท่ากับทะเลมันละอ้อมเท่านั้นแหะ <S <S เป็นพระราชาที่มีกําลังมากมีฤทธิ์มากแล้วก็ท่องเที่ยวไปในอากาศได้ด้วยด้วยหน้าของจักรนะด้วยอนุภาพของจักรทาให้พระองค์นั้นเที่ยวไปในอากาศได้ก็ถ้าเป็นสมัยใหม่ฟังบอกเที่ยวไปในอากาศได้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรปกติด้วยซ้ําไปนะ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 สมัยเมื่อพระพุเทธเจ้าพระนามว่ากูลทัญญาพระองค์ก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมพระองค์ก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก็มอบถวายเหมือนกันในหน้าสามร้อยเจ็ดนี่ย น, นะพระองค์นั้นก็ได้ถวายซึ่งตอนหลังพระองค์ก็ได้ออกบวชใช่ไหมในหน้าสามร้อยเจ็ดหน้าสามร้อยเก้านั้นนะกล่าวถึงว่า เพื่อจะยังประโยชน์นั้นแลให้สำเร็จจึงได้ถวายราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แด่พระชินเจ้าครั้นถวายพระร า, ราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็บวชในสำนักของพระองค์เล่าเรียนพระสู่พระวินัยนาวังฆ า, ศาุศาสตร์ทั้งหมดทาพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามในชาตินี้ก็เหมือนกันนะพระองค์ก็ถวายราชสมบัติใหญ่ในทวีปทั้ง4ี่และรัตนเจเป็นพุทธบูชา